ทำใจของตนให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่การสำรวมใจนี่แหละดีว่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำพออยู่ตามธรรมดานี่ไม่ค่อยได้สำรวมใจเมื่อแกปล่อยใจให้คิดใส่ไปใส่มาอยู่อย่างนั้น ทันเมื่อได้นั่งสมาธิภาวนาลงไปหนึ่งแล้วก็ได้เข้าสู่สังคมฟังเทศฟังธรรมไปอย่างนี้นะมันก็ได้ตั้งสติสำรวมใจให้สงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ ว่าการฟังธรรมนะ่ะเป็นมงคลทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรกนะ็เป็นมงคลก็พอเหตุว่าเมื่อผู้ตั้งใจฟังด้วยดีเคารพต่อพระธรรมบทไม่สงใจให้สายไปมาทางอื่นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันทิจารณาธรรมะตามที่ท่านอธิบายไป ให้รู้ให้เห็นตามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนอกจากว่าใจจะสงบใจสบายแล้วก็ได้ความรู้ในทางธรรมเข้าไปอีกทำให้เกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมคนส่วนมากนะไม่ค่อยมีความรู้ความฉลาดในทางธรรมอารมณ์ของจิตนั่นมีแต่เรื่องการเรื่องงาน มีแต่เรื่องรายได้รายเสียอะไรต่ออะไรมันคิดไปตั้งแต่หาแต่วัตถุภายนอกนู่นนูตามธรรมดานะดังจะเห็นได้เมื่อเวลาพบกันจนุมกันนี่พูดกันคุยกันต่างๆนานามักจะมีแต่เรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวก่การแกงานแกรายได้รายเสีย อะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะอันซึ่งหยาปรารบถึงธรรมะนี่ไม่ค่อยมีเท่าที่สังเกตมาแสดงว่าภายในจิตใจนั่นนะมันไม่หนักไปในทางธรรมะธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นในใจมีแต่อารมณ์ของโลกยึดเอาแต่อารมณ์ภายนอกเข้ามาไว้ในใจเหตุฉะนั้น เมื่อพูดอะไรออกมามันจึงเป็นแต่เรื่องของโลกของสงสารอันจะเป็นเรื่องธรรมะอันเป็นแนวทางให้พ้นจากทุกข์จากภายในสงสารเนี่พูดไม่เป็นพูดไม่ได้คนสนมากเท่าที่สังเกตมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะต้องฝึกใจของตอนให้รู้จักคิดรู้จัก วิจาร์ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนี้หัดเอาไม่ไม่ฝึกไม่หัดไม่ได้จะให้มันคิดเองนี่ไม่ได้หรอกเพียงนั้นเอธรรมะข้อนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมายความว่าอย่างไรนองอ่นี้นะที่เราได้ยินได้ฟังมาได้จาได้จําได้ตั้งแต่หัวข้อธรรมอันนี้ไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติ เช่นนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้กำหนดหัวข้อธรรมะอันนั้นมาวิจารณ์ดูแล้วโอธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั่นกระทาใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นไปเพื่อความสงบถุกได้มันยจะเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจ เมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วกิเลสก็มาแทรกแซงไม่ได้แต่ต้องคิดถ้ามันเห็นอย่างนี้นะก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเส้นบุคคลผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอไปนี่นะความโกรธมันไม่ค่อยครอบงมไดม้เวลามีเรื่อง ภายนอกมากระทบกระทั่งที่จะให้เกิดความโกรธอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเพราะอำนาจเมตตาธรรมเมื่อตั้งมั่นอยู่ในจิตใจแล้วก็ทำให้เป็นคนใจดีไม่วันไหวต่อเรื่องชั่วร้ายภายนอกต่างๆง่ายๆอย่างนี้แหละคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้พิทักษไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ถ้าหากว่าไม่มีเมตตาทำอยู่ในใจอย่างว่านี่แล้วเมื่อใครเข้ามายั่วให้กโกรธก็โกรธไปเลยอย่างงี้นะนั่นแหละร่างใจไม่ได้ห้ามจิตไม่อยู่บางทีเขามาทดลองก็ได้นะบางคนนะ่ะนั่นแหละเขามายั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้ไอตัวก็หลงกลเขาเขาอยากรู้จักว่าคนพวกนี้มีกิเลสหนาะบางเพียงใดอย่างงี้นะตัวเองไม่รู้แล้วกิเลสตัวเองก็ มีอยู่ตนไม่ได้ละมันไม่มีมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็โกรธหน้าดําหน้าแดงเข้าไปแล้วกว่านี้เนี่ยเขาก็หุนึกหัวเลาะอยู่ในใจนั่นแหลวโอ้คนนี้เนะยนึกว่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมนึกว่าจะเป็นผู้รู้ธรรมที่แท้แล้วไม่ได้รู้ธรรมหรอกรู้แต่กิเลสไอออย่างนี้มันต้องเข้าใจไว้อืม เราต้องประพฤติตนให้สมกับว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้เรื่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้เรื่มใสในพระสงฆ์สาวกุศของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกุศของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบนั้นท่านมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสนเสริญต่อนินทาต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเสื่อมลาภเสื่อมยศ อะไรต่างๆมูลนี้นาไม่วันไวตามนี่พระสงฆ์สาวกที่ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีคุณสมบัติอยู่ในใจอย่างนี้เหตุนั้นเมื่อเราเริ่มใสเรานับถือพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเราก็ต้องปฏิบัติฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นไปตามนี้ถึงไม่ได้รอยเอร์เซนก็ทำใได้สักห้าสิบเปอร์เซน ก็ยังนับว่าฐานดีไปอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเคารพเรานับถือพระพุทธเจ้าจริงเราก็ต้องนึกต้องวิจารณ์ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระคุณอัประเสริฐอย่างไรเราจึงนับถือเมื่อเราพิจนารณาตามพระประวัติที่เป็นมาเราก็รู้ได้อที่เรานับถือนั่นเพราะเรารู้ว่า พระพระเเจ้านั้นพระองค์ละความโรคความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทกิเลส ช, ชาติต่างๆที่พาท่องเที่ยวมาในสงสารนั่นได้หมดเลยแล้วพระองค์ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเพราะไม่มีกิเลสอันใดที่จะมาลบกวนพระทัยของพระองค์ให้พระองค์ได้ ผูกโกรธผูกพยาบาทใครต่อใครไว้ไม่มีหรือให้พระองค์หลงรักหลงไข่กับใครต่อใครก็ไม่มีนี่พระองค์เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างนี้เราพิจารณาเห็นว่าเป็นความจริงเช่นนี้ถึงได้เคารพนับถือบูชานี่ก็เมื่อเราเลื่อมใสว่าความเป็นผู้ทํากิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป ทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนี่เนะี่ยเป็นคุณธรรมอันวิเศษอันสูงสุดหรือว่าเป็นคุณอันประเสริฐเช่นนี้แล้วเราจะไปนับถือแต่พระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ตัวเองไม่เพียรพยายามละกิเลสตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยเพียงแต่ได้เรื่อมใสในพระพุทธรธรมรมระสง์นิดหน่อยแต่ว่า คุณพระรัตนไกรัยนั้นไม่สามารถที่จะนําบุคคลได้พ้นจากทุกขในอวัยภูมิทั้งสี่ได้อืมเพราะว่ามีแต่ความเลื่อมใสในพระคุณเฉยแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เช่นพระองค์สอนให้ละกคำ ม, มันชั่วเอมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังละไม่ได้ไม่ยอมละอย่างนี้นะทรงสอนให้พยายามประกอบกรรมดีให้เกเร่งรุ่งเรืองขึ้นในตน อย่างนี้ก็ไม่พยายามบำเพ็ญไปอบำเพ็ญก็บำเพ็ญแต่ตามประเพณีนิดๆหน่อยๆไปนานทีปีหนไปอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้เราจะให้อันบุญกุศลนั่นมันวัดช่วยให้พ้นจากนรกอมายภูมิไปได้ยังไงอ่ะลองคิดดูให้ดีเพียงแต่เริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉยแล้วตนไม่ละบาปอย่างนี้นะ คุณพระรัตนกรายก็ช่วยให้พ้นจากนรกไม่ได้พูดอีกซ้ําอีกทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะถึงคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งยิงคิงนั้นมันก็ต้องละความชั่วและทําความดีให้เจริญขึ้นในกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อตนทําละความชั่วได้มากเท่าไร่ทําความดีขึ้นมาได้มากเท่าไร่ ตนก็ถึงคุณพระรัตนกาเป็นที่พึ่งได้เท่านั้นแหละให้เข้าใจถ้าตนละความชั่วได้หมดทมความดีให้เต็มบริบูรณ์ลงไปได้อย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าถึงคุณพระรัตนกาเป็นที่พึ่งโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเลยอ่เป็นอย่างนั้นการถึงคุณพระรัตนกาเป็นที่พึ่งนี่มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้นะ ตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงสุดเลยขอให้เข้าใจเส้นอย่างว่าผู้ที่เริ่มใสแล้วเมื่อเวลาจิตมันคิดไปทางบาปอกุศลมันคิดอยากไปแย่งทิ้งอสุบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะมันนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่โลภนะพระองค์ไม่ไปแย่งไปชิงอสุบัติของใครมาเป็นของตนเลยเราไปนลูกศิษ์ของพระพุทธเจ้าชนะั้นไหนล่ะ ถึงจะไปปฏิประพฤตออย่างนั้นพอนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ถอยความคิดอันนั้นน่ะมันก็ไม่อยากได้ของใครมาเป็นของตนแล้ตนมีเท่าไหรก่ก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นตนหาได้เท่าไรอ่ะตนหาได้เต็มความสามารถได้เท่าไรแล้วก็เยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะมีเรื่องกระทบ ก, กระเทือนมาจะให้เกิดความโกรธขึ้น อา้าวมันนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าได้เออพระพุทธเจ้าไม่โกรธใครนะพระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐในโลกเ อ, อนี่ถ้าหากว่าเราอดกั้นโดนทานเราไม่โกรธใครโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบเราก็จะเป็นผู้ได้รับยกย่องในสังคมว่าเป็นคนผู้ดีในโลกผู้หนึง่งถึงแม้จะไม่เท่าเทียมพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพอเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไดออ้อย่างนี้พ อ, อนึกได้อย่างนี้ ความโกรธอันนั้นมันก็บันเทาวบวบางลงก็สามารถมีสติสะกดกั้นจิตใจไว้ได้ไม่ให้ความโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจเนี่ในการลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละลึกเป็นนะแล้วก็ทำให้หยุดยั่งกิเลสได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณานี่จึงเรียกว่าการปฏิบัติจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัต ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจะไปอยู่อย่างคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่อย่างลอยๆอยคนอยู่อย่างมีจิตใจเลื่อนลอยไม่มีคุณไม่มีบุญเป็นที่พึ่งเช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็ว่าเวเลย เมื่อว่าเวแล้วมันก็คิดไปทั่วแล้ววันนี้นะคิดไปหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นอันคนที่ไปนับถือผีถือเทวดาถือพระภูมิเจ้าที่พระเมรโทรณีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นนะ่ะมันก็ล้วนแต่มันไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนี่แหละมองไม่เห็นบุญเห็นคุณทั้งที่ตนเป็นชาวพุทธแท้แท้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงเป็นที่พึ่งจริงๆแล้ววันนี้ ตนไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์พรอะองค์สอนในละชั่วก็ไม่ละตามอย่างนี้นะสอนได้ทําความดีก็ไม่ทําเต็มที่ทําพอจะไปขอพิธีอย่างที่ว่ามาแล้วบันที้ความดีมันมีน้อยอกีเลตมันก็มีอํานาจที่มันก็ปั่นจิตให้ว่าเวีดแล้วให้คิดส่งสายไปทั่วแล้ววันนี้นะไอ้พวกที่หาเงินจากไอ้การเป็นหมอดูหมอเราอันนี้เขาก็เที่ยวหาคนประเภทนี้แหละ คนประเพทใจลอยนี่นะไม่มีที่พึ่งภาะในจิตใจเนี่ยพอได้เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเกิดอุปสรรคกับข้องอะไรขึ้นมาใจก็ว่าเวแล้วว่นี้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นออกจากตนก็วิ่งหาหมอขอให้หมอช่วยพยากรให้ว่าฉันเป็นอะไรมันถึงมี ความยุ่งยากลาบากไกลและเกินอันนั้นก็วิบัติอันนี้ก็สูญหายเป็นเพราะอะไรหนอเนี่ยนะตนเองก็มองไม่เห็นเลยไม่มองไม่เห็นเหตุให้พูกอื่นนเขาพยากรณ์ให้ออเาธรรมดาหมอดูเขาจะไปยอมแพ้อย่างไงอ่ะเขาก็ต้องดูไว้พิจรารณาคาดคะเนแล้วก็ว่าไปเออเป็นเพราะอันนั้นอันนี้เพราะคุณมีเคราะมีเห็นอะไรก็ ว, ว่ากันไป ถ้าอย่างนั้นทํายังไรจะหายครบอบหัวต้องสะดอกเคราะซี่หมอทําได้ไหมล่ะได้เออทําอะไรบ้างฮะนี่อา้าวแต่งขันหน้าขันแปดมาอย่างนี้แหละแล้วก็ปัดใจบาดใจเออท่านั้นเท่านี้อย่างนี้แหละก็จําจํายอมและจําต้องทําตามเขาแลยนี่ ขึ้นขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วมีปัจจมปัจจัยตามที่เขากำหนดแล้วก็เขาก็ทำพิธีของเขาไปพิธีอะไรต่ออะไรต่ออะไรเขาก็ทำลงไปทำท่ามาเป่าในตัวบุคคลขับไล่สเสนียดจันไต่างๆออกไปนี่ก็เชื่อเขาเอาันนี้เพราะฉะนั้นยังว่าเรื่องศาสนาพราหมณ์นี่มัน มันไม่มีทางเล้ทจ่หมดจากประเทศไทยเมืองไทยนี่นะไม่มีไม่มีทางทีหมดมีแต่มันจะแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะในต่อไปนี่คนที่สนใจในพระธรรมคำสอนอุตตเจา้าในจะมีน้อยลงน้อยลงแล้วรัฐที่เหล่านี้ก็จะเจริญไปเรื่อยๆไปอะไปแบบนี้มันไปอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเรื่องแบบอย่างว่านี่เราให้พิจารณา เมื่อเห็นตามแล้วก็อย่าไปวันไว้ไปวันไว้ต่อเหตุภายนอกเขาจะว่าว่าไอต้ตนเจ็บไข้ได้ป่วยตนไม่สบายอย่างนี้เพราะเหตุภายนอกเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่ออะไรมาโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปแสวงหามันไอ้เรื่องพันนั่นน่ะใครนึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องหาหมอท่านนั่นแหละอืม ถ้าหากว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วอย่างนี้หมอดูเหล่านั้นน่ะเขาสามารถช่วยให้หายเจ็บไข้ป่วยได้โรงพยาบาลไม่มีแล้วในโลกอันนี้นะล อ, องคิดดูอ่ะอันนี้คนเรามันมันไม่มีเหตุผลนะ่ะมันไม่คิดไม่คำนวณถึงเหตุผลเหตุผลไม่ปรากฏในใจ เพราะฉะนั้นถึงได้ไปเชื่องมงายไปอย่างนั้นนะผู้ที่มีปัญญาได้ฟังคำสอนของอุ้เท่าเจ้าแล้วเขาก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทาของตัวเองนี่แหละเมื่อตนทำดีมาแต่ชาติก่อนโน้นหลังตนไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นนี้นะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลก็ตามตกแต่ง รักษาตนให้อยู่เช่นเป็นสุขไปไม่ให้มีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าจะมีโรคภัยแข่เจ็บเบียดเบียนก็เป็นไปตามฤดูกาลเช่นฤดูร้อนต่อกฤดูฝนฤดูฝนต่อกับฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะอากาศมันเปลี่ยนแปลงอร่างกายหมุนไม่ทันก็เลยเป็นไข้เป็นหนาวบ้างเป็นหวัดเป็นไอบ้าง เมื่อไปหาหมอหมอกลัวแล้วหมอให้ยกให้ยามานับทานแล้วก็หายไปอันนี้ไม่ใช่โรคกมโรคเวนนะ่ะโรคกเกิดจากฤดูกาลเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปวนต่างหากโรคกมโรคเวนนั้นรักษาอย่างไรก็ไม่หายแม้จะหาหมอสะดอกเคาะสะดน้อผูกดวงชําละสะถอนอะไรอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่มีทางหาย ถ้าการเวทที่บุคคลได้กระทามาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอานะไม่มีอย่าไปรักษาเลยเอก็อดทนอดกัน้นเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทํามานั้นไปในขณะเดียวกันเราก็ผูกใจมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เอแล้วก็ทําความเลื่อมใสในบุญกุศลความดีที่ตนกระทาม า, เ, าเป็นที่พึ่งในใจไว้เสมอ เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลมายึดมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี่แล้วกรรมเวทมันสนองจิตใจไม่ได้หรอกมันสนองได้แต่ร่างกายเท่านั้นแหละแต่ถ้าผู้ใดไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างว่านี่นะกรรมเวทมันสนองได้ทั้งกายทั้งใจเลยมันทําให้ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนรักษา ย, ย่างไรก็ไม่หายเอา้า ทางจิตใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกวนกไวยไม่มีสติควบคุมจิตใจเพราะเหตุว่าตนไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจมาปล่อยให้อำนาจแห่งกรรมเวรครอบงาจิตใจครอบงำกายให้วุ่นวายไปหมดเลยอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าคำมันสนองทงั้งทางร่างกายทางจิตใจด้วย บ้านี้ผู้ปฏิวัติทำทั้งหลายนะ่ะให้มันสนองตั้งแต่ร่างกายระถ้าคำเวีนหนหลังมีอย่าให้มันสนองทาง จ, จิตใจต้องแยกกันออกตรงนี้บันนี้นะ่ะเราสร้างที่พึ่งไว้ในใจเสมอเวลายังมีชีวิตเป็นปกติ ด, ดีเช่นนี้ล่ะก็พยายามภาวนาสำมรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในคุณธรรมอันดีงาม อยู่ในเมตตาอยู่ในการุณาตั้งอยู่ในขันติธรรมตั้งอยู่ในฮิริโอตปาธรรมมีความละอายต่อบาปมีความกลัวว่าบาปที่ทานั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เราเราจึงไม่ทาบาปทำความชั่วใส่ตัวให้มีคุณธรรมเ่านี้อยู่ในใจเป็นที่พึ่งโย่แล้วก็มีคุณพระตนากาเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งอย่งนี่นะ ถ้าฝึกหัดปฏิบัติเพ่งใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่ในภายในจิตใจของตัวเองให้เข้าใจคําว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีต่างๆไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่อย่างอื่นไอเรื่องขั้นสมาธิเนี่ยมันต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปก่อนยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้ นี่นะวันนี้มาก้าไปถึงขั้นปัญญาานี่ก็เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดปัญญานั่นจึงกลับมาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออย่างนี้นะอาศัยปัญญาและสอนจิตเข้าไปเพราะว่าจิตใจในี่มันยึดมั่นอยู่ในขันห้าในมานับชาติไม่ทวนแล้ว เราจะมาอบรมมาสั่งสอนตัวเองเพียง น, น, นิดหน่อยแล้วจะให้จิตใจนี่มันคลายความยึดถือขันหานี่โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยกำลังบุญกุศลกำลังความดีที่เราสะสมมาอาศัยกำลังของคุณพระรัตนกรัยที่เราอบรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตน นี่นะเราต้องอาศัยกาลังบุญกำลังคุณเหล่านี้มาตั้งมั่นอยู่ในใจใจเราจึงได้หนักแน่นไม่หวั่นไหวต่ อ, อ, อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของขันห้าของร่างกายเหล่านี้แล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มัน มายัวย่วชวนชวนให้จิตใจหลงเมาไปวันไว้ไปท่างๆนะมันก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่าจิตใจผู้นั้นมันมีที่พึ่งอันดีงามอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางผันห้านี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้น่ะอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนทางถอนตนออกจากทุกข์ภายในสงสารได้จริงๆเป็น อุบายถอนรากเง่าของกิเลสตัณหาอาสะวะทั้งหลายออกไปให้หมดไปสิ้นไปส่วนสมาธินั้นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสให้สงบตัวโยเท่านั้นไม่ได้ถอนรากของมันด้วยอำนาจแห่งสมาธิก็การที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นสกปรปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิเนี่ยนี่ เมื่อปัญญามันแหลมคมไปเท่าไรมันก็ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างละเอียดแล้วอออกไปได้เท่านั้นเละถ้าปัญญามันไม่แหลมคมพอมันก็ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างแยมหยาบออกไปได้อย่างงี้นะมันขึ้นอยู่กับปัญญาเนี่ยวันนี้ในขั้นนี้นะอปัญญานี่ยแหละเป็นตัวอริยมรรควันนี้นะเป็นอย่างนั้นอริยมรรคทั้งแปดประการที่บุคคลบำเพ็ญ มาโดยลำดับลำดับมันรวมกำลังกันเข้าเป็นองค์ปัญญามาเนี่ยนั่นแหละปัญญาอันแหลมคมมาเดียวเมื่อปัญญาแหลมคมเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็ถอนระอุปาทานความยึดปั้นถึอันในขันหานี้ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้แล้วก็ให้พึงสนใจต่อปัญญา ทำอย่างไรปัญญาจะเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราก็พากันฝึกไปโดยลำดับไปแล้วก็คงปัญญานั่นแหละคงจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้